คนหนึ่งชอบพาลูกชายไปเป็นจิตอาสาคราวนึงก็พาลูกชายไปที่บ้านพระคณชราบ้านพระคนชร า, า, ชราอันนี้ก็มีคนชราที่ ถูกทอดทิ้งอยู่ไม่น้อยบางคนก็เจ็บป่วยบางคนก็เป็นอัลไซเมอร์บางคนก็มีอาการที่กฤตจริดนะพาลูกไปประจิตอาสาพเพื่อลูกจะได้นะมีน้ําใจเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วขณะเดียวกันก็ได้เห็นความไม่จริงจังนะของสังขาร เพราะว่าคนแกเหล่านี้ที่พิการบ้างเจ็บป่วยบ้างคลุ้มคลั่งบ้างพวกนี้ก็เคยเป็นคนหนุ่มคนสาวที่ดูเหมือนจะปกติมีสุขภาพดีรู้เนื้อรู้ตัว แต่พอแก่เท่าก็แปลเปลี่ยนไปไปเปจิตอานีทก็ไปบริการนะไปพูดไปคุยหรือว่าไปช่วยเหลือเขาก็มีคนแก่คนหนึ่งก็ดูจะเป็นบ้าหน่อยๆหรือจะมากก็ไม่ทาราบกำลังยกเก้าอี้ เดินออกไปที่สนามหญ้าตรงเข้าไปในสวนอาจากก็ก็ถามว่าลุงจะไปไหนแาจากต็ตอบว่าจะไปปลูกต้นไม้เนี่ยแล้วก็ชี้ต้นไม้ที่มาปลูกรอบสนามหญ้าไปเนี่ยฝีมือชันทั้งนั้นแหละยกเก้าอี้ไปนะแต่ว่าบอกว่าไปปลูกต้นไม้ อาจารย์คนนี้ก็ชวนลูกไปว่าเอองั้นเราไปปลูกเขาบ้างแกต้องการสร้างสัมพันธ์กับคุณลุงคนนี้นะก็เลย ท, ทําทีน ะ, ะทำตามแกบ้างเห็นแกปลูกต้นไม้แต่ยกเก้าอี้ไปแกก็เลยบอกลูกอ่าเราไปปลูกต้นไม้กับลุง ก, กันต่างคนต่างก็ยกเก้าอี้ไปคนละตัว แล้วก็เดินตามคุณลุงไปเดินไปสักพักคุณลุงก็หันหลังมาถามเนี่ยว่าเนี่ยพวกเธอจะไปไหนกันก็ตอบว่าก็ไปปลูกต้นไม้ไงลุงก็เลยตอบว่าแกจะบ้าหรือไงเนี่ยที่แกยกเนี่ยมันเก้าอี้นะไม่ใช่ต้นไม้เรื่องนี้ก็นะเป็น ตัวอย่างเป็นแม่คิดให้เราได้คิดนะว่าให้เราได้รู้ว่าจริงๆคนบ้าเนี่ยเขาไม่ใช่เขาไม่รู้อะไรนะเห็นคนอื่นเนี่ยย ก, ยกเก้าอี้ไปแล้วพูดว่าไปปลูกต้นไม้นี่นะเขาก็รู้สึวนผิดสังเกตละแต่เขาไม่รู้ตัวเองนะว่าเขาเองก็ทํางนั้นเหมือนกันไปว่าอาจารย์กับลูกชายว่าบ้าที่ไปยกเก้าอี้ แล้วก็บอกว่าไปปลูกต้นไม้ไอ้นั่นมันก็ต้นไม้ที่ไหนล่ะเก้อี้แท้ๆคนบ้านี่รู้นะว่าคนอื่นบ้าแต่ว่ากลับมองไม่เห็นกลับไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีบ้าแต่ว่าเขาไม่รู้อะไรเลยก็ไม่ได้เขารู้ว่าคนอื่นทําอะไรที่มันแปลกๆแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือไม่รู้ตัวเอง แต่ถ้ามองให้ดีนะคนเราที่ดูเหมือนเป็นคนธรรมดานี่มันก็มีส่วนแห่งความบ้าไม่ใช่น้อยนะเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยเราโล่คนอื่นทำอะไรแต่เรากลับไม่เห็นตัวเองไม่ใช่ว่าเป็นอย่างนี้ในยามเมานะคนเวลาเมาเนี่ยก็ จ, จะรู้ว่าคนอื่นเมาแต่ว่า ไม่รั่ตัวเองเมาพยายามปฏิเสธว่าฉันไม่เมาฉันไม่เมานะทั้งที่ตัวเองเนี่ยเมาเต็มที่มันไม่ใช่แค่นั้นนะแม้กระทั่งในยามที่ไม่เมาคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวเองนะเขาเห็นคนอื่นโกรธเวลาคนอื่นโกรธเนี่ยเขารู้ว่ากำลังคนนี้กำลังโกรธคนนั้นกําลังหงุดหงิด เวลาเขาโกรธเด็กเวลาเขาหงุดหงิดเขากลับไม่เห็นตัวเองนะอันนี้หลาถึงเพื่อว่าคนเราเนี่ยแม้กระทั่งที่เป็นคนทั่วๆไปเนี่ยก็มีส่วนแห่งความบ้าอยู่เหมือนกันอันจะไปว่าคนบ้าว่าเขาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเห็นแต่คนอื่นแต่ไม่เห็นตัวเองเนี่ยก็มันก็ถูกครึ่งหนึ่งนะอีกครึ่งนึงก็คือว่าคนเราทั่ ว, วไป มันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะไม่ใช่คนบ้าเท่านั้นที่เป็นเราไม่ค่อยรู้ตัวนะอยู่หลายครั้งไอ้ความไม่รู้ตัวหรือความลืมตัวเนี่มันเกิดจากอะไรส่วนนึ่งก็เกิดจากความเมานะเมาสุราเมายาอันนี้เห็นชัดมากเมาสุราเมายาก็ไม่รู้ตัว ทำอะไรไปก็ไม่รู้เดินไปไหนก็ไม่รู้ทางกลับบ้านไม่ถูกยิ่งทำเมายาแล้วนี่หนักเข้าไปใหญนะ่พอลืมตัวแล้วก็สามารถที่จะทำในสิ่งที่ไม่สมควรหรือว่าไปทำร้ายคนที่ตัวเองรักก็ได้เมายาแล้วก็ลืมตัว ทำร้ายพ่อแม่เตะตีพ่อแม่คือนึกกับค่าเขาก็มีนอกจากเมายาเมาสุราแล้วก็อาจจะเมานะเมาการพนันนะคนเราถ้าเกิดลุ่มหลงกับการพนันแล้วมันก็ลืมนะลืมตัวมีอะไรก็เอามาทุ่มเทให้กับการพนันหมดหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ยังไม่ยอมเลิกนะ ก็ไปกู้เงินเข้ามาหรือว่าเอาเอาที่ดินนะเอาบ้านมาแต่แล้วก็หมดไปอีกนะก็ยังไม่ยอมเลิกนะนี่เรียกว่าเมานะเมาการพ น, นันทำให้ไม่รู้ตัวความไม่รู้ตัวยังเกิดขึ้นนะจากสาเหตุอื่นอีนอกเช่นอารมณ์ พออารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วครอบงาใจแล้วก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะอาจจะมีความรับรู้ที่แจ่มชัดเกี่ยวกับคนอื่นคนเราเวลาโกรธเวลากลัวเนี่ยการรับรู้สิ่งนอกตัวเนี่ยมันจะมันจะละเอียดละออมันจะแจ่มชัดมากแต่ว่าไม่รู้ตัวเองเ คนเวลาโกรธนะก็อาจจะทำอะไรต่างๆที่เลวละยิ่งกว่าคนเมาด้วยซ้ำอันนี้เรื่อเมาอารมณ์และอารมณ์ก็มีหลายอย่างนะอารมณ์โกรธอารมณ์เกรียดอารมณ์เศร้าล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ทาไปแม้จะมุ่งร้ายกับผู้อื่นแต่ว่ากลับมา ส่งผลเสียกับตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรไปได้ซ้ำมีผู้ชายคนหนึ่งบ้านแกอยู่ริมถนนก็เป็นบ้านที่ใหญ่ทีเดียวนะก็สร้างกำแพงไว้สวยงามแต่บางเงินถนนเส้นนี้เนี่ยมันเป็นทางผ่านของนักเรียน อาชีวะนักเรียนช่างกลสองโรงเรียนซึ่งก็เป็นธรรมดานะพออยู่ใกล้ ก, กันเนี่ยก็จะมีเรื่องทะเลาะบบาแวงกันเหมือนกับช่างกลปทุมวันกับอ่าอีกอันหนึ่งจําไม่ได้ละเนี่ยก็จะมีเรื่องทะเลาะกันนะและการทะเลาะกันอย่างเบาๆ ก, ก, ก็ก็คือการเขียนข้อความ เขียนข้อความอวดนะอวดตัวบ้างคมอีกฝ่ายหนึ่งบ้างเช่นอนอสอเป็นพ่อกอบอวนะก็เอากำแพงของผู้ชายคนนี้ของคนนี้เป็นสนามประลองนะประลองกำลังก็ต่างคนต่างก็เอาสีมาขีดมาเขียน เพื่อด่าว่าคู่ต่อสู้ก็ยังดีนะไม่ถึงกับคันเอาปืนมายิงไล่ยิงกันอย่างอุเทนถวายกับช่างคนปถุมบันที่เป็นข่าวเมื่อเร็วๆนี้ฝ่ายหนึ่งขีดเขียนข้ อ, ขอความอีกฝ่ายนี้ก็เขียนตอบโต้จนกระทั่งกำแพงนี่มันเละเทอะไปหมดผู้ชายคนนี้เจ้าของบ้านนี้แกก็ต้องเอาสีมา มาทามาทับขั้งแล้วขั้งเล่าจะไม่ทาก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันโจงแจ้งเหลือเกินในข้อความนี่มันเลอะเทอะไปหมดตอนหลังเขาก็เอาป้ายมาปักไว้นะใกล้ๆอ่าประตูใกล้ๆ ก, ๆกับกำแพงนะขอร้องว่าอย่าขีดอย่าเขียนเลย บอกว่าไอ้ป้ายนั่นก็ถูกทำลายแต่มีข้อความณแหนมเจ้าของบ้านนี่เจ้าของบ้านก็ชักโมโหต่อหลังก็เอาป้ายมาเขียข้อความให้หนักขึ้นวา่าผู้ดีย่อมไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นบอกว่าไอ้ข้อความนั่นก็ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลายเป็นว่าผู้ดีย่อม ข้อความเดืร้อนแกบผู้อื่นนะขีดคําว่าไม่ทิ้งแล้วก็เขียนข้อความต่างๆอีกมากมายเจ้าของบ้านก็เริ่มโมโหคราวนี้ก็เริ่มขูกแล้วนะออกประกาศมาติดบอกว่าเนี่ยจะดําเนินคดีทางกฎหมายนะกับผู้ที่ขีดเขียนข้อความบนกาแพงไม่ได้ผลนั้นนะก็กลับเขียนท้าทายว่าลุกขึนก็มีคนเขียนขีดข้อความเขียนท้าทายว่านายจริงก็มาจับสิ เจ้าของบ้านโมโหมากนะแล้วสุดท้ายเนี่ยแล้ววันหนึ่งแกก็ถือสีแล้วก็แปลงออกมาที่บ้านมาที่กำแพงนั้นแกโกรธมากแล้วเขียนข้อความว่ากำแพงนี้ใครเขียนเป็นหมาตกลงนี่ใครเป็นหมาก่อนเนี่ยตั้งใจจะ ด่าว่าพวกนักเรียนนะที่มาขีดเขียนข้อคอาเป็นหมาแต่ว่าตัวเองเนี่ยกลับไม่รู้ตัวว่าไอ้ที่เขียนเนี่ยมันมันฟ้องตัวเองแล้วมันด่าตัวเองแล้วว่าเป็นหมาอันนี้เพราะอะไรนะเพราะความโกรธนะความโกรธทำให้ลืมตัวพอเวลาเราโกรธเนี่ยเราก็จะมุ่งมุ่งร้ายต่อคนอื่น มุ่งที่จะตอบโต้คนอื่นจนลืมดูตัวเองไปแล้วเราคงเห็นได้ช่วยประจาวันทั้งที่ตัวเราเองก็ดีหรือว่าประสบการณ์ที่มีกับคนอื่นก็ดีเมื่อเราก็ตามที่มีความโกรธแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ตัวนะทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นโดยที่มองไม่เห็นว่า มันจะส่งผลร้ายกับตัวเองตามมาอย่างไรบ้างบางทีก็ดา่า เ, เสียหายทั้งทีถ้าเกิดตัวเองเนี่ยมีสติก็คงจะไม่ทำอย่างนั้นพอความโกรธถายก็มาเสียใจว่าพูดอย่างนั้นไปได้อย่างไรแต่มันพูดไปแล้วเพราะอะไรเพราะลืมตัวเพราะไม่รู้ตัว มันก็ไม่ต่ายจากคนเมาหรือคนบ้านนะทำอะไรไม่รู้ตัวแต่รู้เรื่องราวคนอื่นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งมันไม่ใช่แค่ความโกรธนะนะความโลภมันก็สามารถทำให้คนเราลืมตัวได้พอโลภมากๆแล้วก็เห็นช่องทางที่จะสนองความโลภได้ ก็อาจจะไปลักขโมยอาจจะไปโกงเงินเขาคอรัปชนะันในความการคอรัปชันเนี่ยทุกคนก็รู้ว่ามันไม่ถูกการขโมยใครๆก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่หลายคนก็ทำทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นก็เพราะอะไรก็เรียกเพราะน้ามืดนะน้ามืดในความน้ามืกก็แสดงความลืมตัวนะ พวกที่ไปกระทำชำเราขมคืนนะอาจจะคนไกลหรือคนใกล้ก็หน้ามืดเหมือนกันเพราะราคะมันครอบงำพอราคะครอบงำแล้วไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วจิตนี่มาส่งออกนอกหมดมันคิดแต่จะทาตามอารมณ์โดยที่ไม่รู้ผลกระทบตามมาเกิดขึ้น จะเป็นอย่างไรบ้างเสร็จแล้วก็มานั่งเสียใจเพราพวกเราอาจจะไม่ถึงกับเป็นคนบ้าหรือว่าเป็นคนที่ติดเหล้ า, มาเมาการพ น, นันแต่ว่าให้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนานาชนิดเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นกับเราอยู่บ่อยๆมากบางน้อยบาง แล้วพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ทำอะไรต่ออะไรไปโดยไม่รู้ตัวก็บ่อยครั้งส่วนใหญ่อาจจะไม่ถึงกับเกิดผลเสียมากเท่าไหรนะ่เช่นเวลากินข้าวใจก็ลอยนะเป็นนึกถึงพ่อแม่ไปนึกถึงลูกด้วยความห่วงด้วยความกังวลนะตอนนั้นก็ลืมตัวแล้วนะว่ากาลังกินข้าวอยู่ ใจมันล่องลอยออกไปนอกตัวแล้วหรือว่าจมอยู่ในความกังวลความหมกมุ่นคุนคิดนะอันนี้เราคือความรู้ความลืมตัวนะแต่มันความลืมตัวที่ไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่บ่อยครั้งแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะเสียหายได้ขับรถอยู่แล้วก็มี คนโทรศัพท์มาบอกว่านะลูกป่วยหนักนะถูกสพาส่งเข้าโรงพยาบาลแล้วตกใจนะระหว่างที่คุยโทรศัพท์สอบถามว่าอะไรอะไ ร, ะไรเกิดอะไรขึ้นความตกใจความเสียใจความวิตกกังวลนะมันก็ทำให้ไม่รู้ว่าข้างหน้านี้มันมีไม่สังเกตว่าข้างหน้านี้มี เด็กเดินข้ามถนนผ่านหรือคนตาบอดคนแก่เดินข้ามถนนไปชนเขาถึงกับพิการหรือถึงกับตายก็มีนี่เพราะอะไรนะเพราะลืมตัวเพราะไม่รู้ตัวเพราะตอนนั้นเนี่ยใจมันไปอยู่กับลูกใจมันไปจดจ่ออยู่กับโทรศัพท์ข้อมูลที่ต้องการรู้ให้เร็วที่สุด ชีวิประจำวันของเรามันเป็นช่วยที่นะเต็มไปได้วยความลืมตัวทั้งนั้นนะอาจจะรู้ข้างนอกดีแต่ว่าตัวเองเป็นอะไรทำอะไรนะไม่รู้การปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการที่เรากลับมาสร้างความรู้สึกตัวให้มีขึ้นทําให้เราเนี่ยสามารถจะรู้ตัวว่า กำลังทำอะไรอยู่นะรวมทั้งรู้ทันอารมณ์ด้วยเพราะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าให้ลืมตัวเพราะอารมณ์มาครอบงาถ้าเราไม่รู้ทันอารมณ์รวมทั้งไม่รู้ทันความคิดด้วยแล้วเนี่ยมันก็จะลืมตัวได้ง่ายเพราะอารมณ์มันครอบงำนะทาให้น้ำ ม, มึนะทำให้จมอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งในภาวะเช่นนั้นก็ จ, จะ ใกล้ๆกับคนบ้าหรือคนเมาด้วยซ้ําการเจริญสติหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวอะไรเลยนะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรากลับมารู้ทันอารมณ์และทําให้ความรู้ตัวกลับคืนมาสู่จิตใจของเราคนเราถ้าไม่รู้ตัวถ้าเกิดลืมตัวแล้วเนี่ยนะมันก็เกิด ปัญหาตามมามากมายอาจจะไม่ได้สร้างความทุกข์ให้แก่ใครแต่ว่าที่แน่ๆคือมันสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองไม่ว่าความโศกความเศร้าความคับแข้งความน้อยเนื้อต่าใจความรู้สึกผิดหรือแม้แต่ความโลภพวกที่มันเกิดขึ้นแก่ใจทีไรเนี่ยใจก็ทุกข์นะ ทุกดวยอาการต่างๆกันใช่รู้สึกถูกบีบคั้นถูกทิ่มแทงถูกเผาลนหรือว่าหนักอกหนักใจนะมันมีอาการเกิดขึ้นกับจิตใจหลายอย่างโดยแล้วแต่เป็นลักษณะอาการของความทุกข์ที่เข้ามากระทำนะกับจิตใจของเราเราอยากให้ใจเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ถ้าเราไม่อยากใจเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะก็ต้องกลับมารู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดให้ไวพอทัรู้แล้วเนี่ยมันก็จะละได้วางได้อารมณ์แต่และชนิดเนี่ยมันมีกาลังนะมันมีวิธีการเล่นงานจิตใจเราแตกต่างกันทิ่มแทงมั่งเผาล้นมั่งบีบคั้นมั่งกระน่ำซ้ำเติมหรือว่า บทขยี้จิตใจเราบ้างแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันนะเพียงแค่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีพิษสงน้อยลงไอ้ที่เคยเผาหล่นใจมันก็จะค่อยดีดับลงที่เคยทิมแทงมันก็จะกลับเป็นเป็นของทู่งทำลายใจเราไม่ได้ที่เคยหนัก ทำให้หนักอึ้งในจิตใจมันก็หลุดมันก็เบาลงอันนี้เป็นเป็นเพราะอํานาจของสตินะแล้วเมื่อมีสติแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดความรู้ตัวตามมาเมื่อมีความสึกตัวก็จะรู้สึกโปร่งเบาคนเราเวลาความมีความรู้สึกตัวนะให้การที่จะมีความโลภมีความกรัวมีความเศร้ามีความเกลียดครองใจนี่ก็ยากนะ สิ่งนี้เนี่ยมันก็คือการที่ทำให้เรานะมารู้จักตัวเราเองดีขึ้นนะทุกวันนี้เนี่ยเราส่งจิตออกนอกไปเยอะเรารู้สิ่งต่างๆนอกตัวมากมายแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้ตัวเองเท่าไหร่ซึ่งอันนี้มันก็น่าเห็นใจหรือน่าเป็นเรื่องที่ธรรมดานะเพราะคนเราเนี่ยมันมีตาหูจมูกลิ้นมีกาย เป็นไอตนะในการรับรู้สิ่งภายนอกถึง5อย่างเรามีไอตนะถึง5อย่างมีเครื่องมือถึง5อย่างในการที่จะรับรู้สิ่งนอกตัวไม่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงหรือสัมผัสเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยอันตรายของมนุษย์เนี่ยมันอยู่นอกตัวอาจจะได้แก่งูงเงี้ยวเขี้ยวขอ อาจจะได้แก่อาหารที่เป็นพิษหรือว่าคนที่มุ่งร้ายรวมถึงภัยธรรมชาติเหวภูเขาแม่น้ำหรือว่ากับดักต่างๆมากมายมนุษย์เราสมัยก่อนเนี่ยมันก็เจอแต่อันตรายที่มาจากนอกตัวเป็นส่วนใหญ่แต่เดี๋ยวนี้อันตราย ภายนอกเนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วเพราะมนุษย์เราอ ย, อยู่ในสังคมที่มันมีอารยธรรมมีหลักประกันมีกฎหมายไม่ใช่กดป่าแล้วก็มีเทคโนโลยีมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะการหาอาหารก็ไม่ต้องเสี่ยงภัยแล้วสมัยก่อนจะไปหาอาหารต้องเสี่ยงอันตรายนะเพราะว่าไปหาในป่าเดี๋ยวก็เจอเสือเจอ สิงเจองูเดีนี้เราไปหาอาหารแล้วก็เดินไปไปที่เซเว่นไปที่ห้างสรรพสินค้าไปที่ร้านไม่มีอันตรายรเลยเลยจะมีก็แต่รถยนต์ที่ถ้าเดินสุม 4, ส่มสี่ซุ่มห้ารถมันก็ชนเอาอันตรายก็มีเท่านั้นแหละแต่อันตรายที่มันเล่นงานเรามากขึ้นทุกทีทุกทีก็คือ อันตรายที่จิตใจเราก็ ค, คืออารมณ์ต่างๆนี่แหละที่มันครอบงำจิตใจเราอย่างที่บอกไว้เมื่อวานเนี่ยบางคนแม้ว่าจะมีชีวิตที่ราบรื่นสะดวกสบายมีอาหารกินอาหารดีด้วยไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ก็ยังมีความทุกข์เขาทุกข์ที่ไหนก็ทุกข์ที่ใจเพราะเขาเบือ่อ พราะเขาเหงาเพราะเขาเซงหรือพราะเขากําลังอกหักเพราะกำลังรู้สึกโกรธแค้นที่ถูกข้ามหน้าข้ามตาถูกเลื่อยขาเก้าอี้ไอ้พวกนี้เป็นเรื่องจิตใจทั้งนั้นหรือว่าจะวิตกกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองอาจจะวิตกกังวลเกี่ยวกับพ่อแม่ที่กําลังป่วยอันนี้ก็เป็นเรื่องใจทั้งนั้นนแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะบั่นทอนร่างกายทําให้ บวยทให้เกิดความดันทําให้เป็นโรคหัวใจหรือทาให้เป็นมะเร็งได้อันตรายมันที่เกิดขึ้นกับจิตใจเนี่ยจริงมันก็ไม่จะเป็นต้องเกิดก็ได้นะเพราะว่าเรามีตาในที่คอยป้องกันได้อันตรายภายนอกเรามีเครื่องมือถึง5อย่างในการป้องกัน หรือว่าจับจ้องไม่ให้มาเล่นงานเราได้ส่วนอันตรายภายในเราก็มีเครื่องมือนะแต่ว่ามีแค่อย่างเดียวอนะันนั้นคือสติสติคือตานในที่คอยสอดส่องป้องกันไม่ให้ศัตรูจากภายในเนี่ยมันมาเล่นงานเราพระุทธเจ้าเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอันตรายที่ปกปิดนะอันตรายมีสองอย่างนะ้เจ้าเคยตรัสเอาไว้อันตรายที่เปิดเผย นะก็คือสัตว์ก็คื อ, อผู้คนผู้ร้ายหรือว่าภัยธรรมชาตินะน้ำท่วมฝนแรงนี่อันตรายที่เปิดเผยแต่อันตรายที่ปกปิดเนี่ยก็คือพวกกิเลสนี่แหละความคับแค้นใจความน้อยเนื้อต่ำใจความโกรธความถือเนื้อถือตัว ความอิจฉาความพยาบาทพวกนี้แหละคืออันตรายที่ปกปิดปกปิดคือมองไม่เห็นแต่มันก็ไม่สามารถจะลอดพ้นสายตาของตาในที่มีอยู่แล้วในใจเราได้คือสติแต่ว่าตาในของคนส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นตาที่ไม่ค่อยฉับไวเท่าไหร่เป็นตาที่พร่าตาที่เลือนเพราะว่าถูกปล่อยปะละเลย ไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการบำรุงนะการปฏิบททัติธรรมการเจริญสติก็คือการที่จะกลับมาบำรุงฝึกฝนให้ตาในเนี่ยมันไวนะแล้วก็ฉลาดในการที่จ ะ, อะมองหาอันตรายที่ปกปิดคืออารมณ์แม้เพียงเล็กน้อยไม่ต้องรอให้มัน เล่นงานจิตใจถึงค่อยรู้ตัวโอ้นี่กาลังโกรธนะนี่กําลังเศร้านะเพียงแค่มันคืบคลานเข้ามานะก็รู้ทันละเพียงแค่เห็นหนวดเห็นนะเห็นจมูกมันมันจะไม่โผล่มาทั้งหน้าก็รู้ทันละพอรู้ทันเท่านั้นแหละมันก็เพ่นหนีไปเพราะว่าพวกนี้มันจะมาได้เพราะมันมาทีเผลอเหมือนก็บขโมยเข้าบ้านได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของเผลอนะ แต่พอเจ้าของไม่เผลอพอเจ้าของรู้หรือศบตากับมันขโมยนั้นก็กลัวก็หนีไปหรือว่าละอายใจให้อารมณ์ต่างๆที่เล่นงานจิตใจมันก็อย่างนี้เหมือนกันนะมันคืบคลานเข้ามาตอนเราเผลอไม่ไม่มันคืบคลานนะแต่พอถ้ามันรู้ว่าเราเผลอเป็นประจำเนี่ยมันไม่คืบคขาแล้วมันกระโดดเข้ามาเลยมันจู่โจมเข้ามาทันทีเลย อันนี้เพราะว่ามันฉลาดนะมันคืบคลามาบ่อยๆคืบคลามาบ่อยๆมันก็รู้แล้วว่าไม่ต้องทํำอย่างนั้นก็ได้นะมันจู่โจมเข้ามา ท, ทันทีหลายคนเนี่ยเวลาโกรธนี่โกรธเร็วมากเลยนะโกรธแบบปรี๊ดเลยที่โกรธปรี๊ดนี่เพราะอะไรนะมีเคยเคยมีคนถามว่าทำไมมันโกรธปรี๊ด ง, งั้นนะก็เพราะว่ามันโกรธมาแล้วหลายครั้งอะโกรธแบบนั้นมาแล้วหลายครั้งแต่ก่อนนี่ น, า น, น, านัานๆทิ้งแต่ก่อนต้องใช้เวลาในการที่จะโกรธนะอาจจะเริ่มต้นจากความหงุดหงิดก่อนความไม่พอใจก่อนแล้วค่อยโกรธพอทํางี้หลายครั้งหลายครั้งเนี่ยมันไม่รอให้หงุดหงิดแล้วมันไม่รอให้ให้ให้ให้เคืองล้วมันปี๊ดทันทีเลยนะอันนี้เพราะว่ามันมันรู้แล้วว่ามันทําอย่างนั้นได้เพราะใจไม่มีเจ้าของหรือใจไม่มีคนที่จะคอยปกป้องแต่ถ้าเรามีสตินะ มันจะเป็นเครื่องปกป้องจิตได้อย่างดีจะเป็นตาานที่จะสอดส่องไม่ให้อารมณ์ที่เป็นอกุศลหรือความทุกข์เหล่านี้เข้ามาครอบงำหรือว่าย่ำยีบีทาจิตใจเราได้แต่เราคงจะพบด้วยตัวเองนะว่าไอ้ตาานของเรานะมันเชื่องช้ามันพลาดเลือนก็เลยใช้งานไม่ได้เหมือนกับ คงเหมือนกับสัญญาณระวังภัยหรือสัญญาณระวังระวังเพลิงเนี่ยสัญญาณที่ระวังเพลิงเนี่ยถ้าดีๆนี่นะเพียงแค่มีควันทูบเนี่ยลอยมากระทบนี่มันก็ส่งเสียงแล้วนะหรือมันก็แสดงอากาศแล้วนะแต่สัญญาณระวังเพลิงบางอย่างนี่ไฟไหม้เป็นกองใหญ่แล้วมันยังไม่รู้เลยอย่างเงี้ยไม่ตึกแน่นอน แล้วคนจำนวนมากก็เป็นอย่างนั้นนะไฟโทรสะไฟราคะมันเผาจิตใจจยยงกระทั่งทำอะไรกทอะไรที่มันไม่น่าทำเสียผู้เสียคนก่อความทุกข์แก่ตัวเองก่อความทุกข์แก่คนอื่นแต่เราฝึกได้นะฝึกสติของเราได้ให้มันไวนะเพียงแค่มีมีเข้าลางนะของอารมณ์หรือมี สเก็ตอารมณ์เกิดขึ้นมีประกายอารมณ์เกิดขึ้นก็รู้ทันแล้วแล้วก็รู้แล้วก็วางไม่ปล่อยให้มาลุกลามได้อันนี้แหละคือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมที่นีนะ่มาเพื่อฝึกสติของเราเพื่อทำให้เราเกิดความรู้ตัวได้รดวดเร็วฉับไวและให้ความรู้ตัวนั้นครองจิตครองใจเราอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งไม่เปิดช่องว่างให้ความทุกข์เข้ามาครอบงาได้ อชาวนี้กพกันเท่านี้นะครับพระ